มันมีหลายวิธีที่ทำบุญเพื่อทำให้พุทธศาสนาเจริญเน้การทำบุญแต่ละบ้านละบ้านก็ไม่เหมือนกันการทำกรรมาฐานก็ไม่เหมือนกันเพราะหลายครูหลายอาจารย์การเจริญวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันมันมีหลายครูหลายอาจารย์ความคิดความเห็น การสอนจึงไม่เหมือนกันแต่ที่จริงและวิธีนั้นไม่เหมือนกันแต่ความจริงแล้วธรรมนั้นรู้เหมือนกันอันเดียวกันถ้าหากว่ารู้ไม่เหมือนกันไม่เป็นอันเดียวกันความเห็นก็ขัดไม่ถูกต้องไม่ตรงนี่ว่าสวนทาง ก, กันกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่า พระพุทธเจ้าพูดไปอีกอย่างหนึ่งล้วก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทำอย่างหนึ่งล้วก็ทำไปอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการสวนถาก น, กนกันกับพระพุทธเจ้า <c oughs> อย่างนั้นคำว่าศาสนากับพุทธศาสนานี่ไม่เหมือนกันนี่พูดความจริงสู่กานฟังคำว่าศาสนาก็หมายถึงคำสังสอน บุคคลผู้ที่รู้ใครรู้เรื่องอันใดหรือ ร, ร, รู้เรื่องอะไรอย่างเนี้พูดภาษาเมืองเลยต้วะรู้เรื่องอันใดถ้าพูดเป็นภาษากลารก็เรื่อใครรู้เรื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนเป็นอย่างนั้นการสอนนั้นสอนให้ทุกคนละต้วะทำดีอันนี้เรียกว่าศาสนาเป็นศ า, าสนาศีลธรรม แต่ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาศาสนาศิลธรรมนั้นหมายถึงการลักทั่วแล้วก็ทาดีตั้งอยู่ในฐานะคุณดีของงามเช่นให้ทานรักษาศิลจะเป็นศิลห้าศิลแปดศิลสิบถึงสองร้ 10, อยี่สิบเจ็ดี่ศิลสามรอยสิบตัวก็ตามเพราะยังไม่เกิดปัญญาก็เป็นเพียงศาสนาเท่านั้นเอง ละรู้ว่าทำดีตั้งอยู่ในฐานะสุณมีความงามอันนี้เรียอัศวานาสนาพุทธศาสนานั้นทำแล้วเกิดสติปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงนั่นเนี่ยพุทธศาสนาดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมฟังด น, นตรีฟังอะไรก็ตามยฟังมาหลายสิบปี พ่อแม่ก็เคยฟังมาปู่ย่าตายายก็เคยฟังมาตัวเองก็เคยฟังมาเมื่อฟังแล้วยังไม่ทำให้เกิดปัญญานั้นก็ยังไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาแบบ น, นี้ไปดูดูหนังดูละครดูมหัศจพย์คบงานดูอะไรก็ตามหละแข้งมาแข้งเหยื่อให้วาดตาเห็นเดี๋ยว่าดู การดูทุกสิ่งทุกอย่างดูมาหลายสิบปีพ่อแม่ผู้ย่ากาบยายก็ดูมาตัวเองก็เคยดูมาเช่นเดียวกันดูมาหลายสิบปีถ้าหากยังไม่เกิดปัญญา<ม>ก็ยังไม่ได้เป็นการสื่ต่ออณิภาพพุทธศาสนาดูแลก็เสียเวลาไปฟังแล้วก็เสียเวลาไปเป็นอย่างเพราะมันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ ดังนั้นวันนี้จึงพูดกันเพื่อทำความเข้าใจแต่การพูดนี้ไม่ให้เสื้อถึงให้ฟังไว้แล้วเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดหนังสือปรมสูตรมีบุคคลถามพระพุทธเจ้าทำให้พุทธศาสนาเจริญนั้นทาอย่างไรล้ะองค์ก็บอกว่าฟังแล้วเกิดปัญญา ทำสิ่งใดลงไปแล้วเกิดปัญญาท่านเรียกว่าทําให้พุทธศาสนาเจริญท่านบอกว่าไม่เชื่อถือท่านจึงตัดนังเือกลธรรมสุ่าอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตําราและกรรมธี แต่อยู่ในตัวหนังสือในกำพิท่านกษ์ไม่ให้เชื่อถือให้เสืออเส่อที่ตรงไหนให้เสื่อพ่อการเห็นแจ้งรู้จริงใส้สติปัญญาพิจารณาโดยเหตุผลสิบข้อด้วยกันแต่ท่านจัดไว้คําสุดท้ายนีย่แม้ครูบาอาจารย์คนที่สอนท่านก็มาให้เสื่อถือให้เสื่อถือที่ตัวเองเข้าใจแก้ปัญหา การขัดแย้งต่อตัวเองได้ท่านตัดเอาไว้ในหลักธรรมคุณว่าสวะคาโตภะวตาธรรมโมตพระธรรมอันพระผูภาคเจ้าตรัดไว้ไดีแล้วสันทิทิโกอันผู้ลู้จะพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นเวลาไหนาก็ตาม อยามีพระพุทธเจ้าขอตามไม่มีพระพุทธเจ้าขอตามให้ซื้อว่ามีคนแล้วคนใดแก้ปัญหาตัวเองได้นั่นเนี่ยทาให้พุทธศาสนาเจริญและทําต่ออายุพระพุทธศาสนาไว้พอได้ทําไหมจิ้งว่าทําให้พุทธศาสนาเจริญทําไหมจิงว่าทําบุญต่ออนุ พ, พุทธศาสนาไว้พอได้ เพราะคนที่ไม่มีทุกข์สอนคนอื่นให้คนอื่นไม่มีทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนถ้าหากตัวเองมีทุกข์อยู่ไปสอนคนอื่นคนอื่นก็ยังมีทุกข์อยู่เช่นเดียวกันไม่จะเลยเพราะพระองค์หรือพระพุทธเจ้าท่านไม่มีทุกข์ท่านหมดทุกข์แล้วท่านจึงไปสอนคนอื่นให้คนอื่นไม่มีทุกข์ให้หมดทุกข์ด้วยกัน ไม่มาก่อนน้อยดีกว่าความสุขอันแท้จริงนั่นคือความสุขที่ไม่มีทุกข์ตัวเองได้ทำความไม่มีทุกข์ให้ตัวเองหมดไปแล้วและไปสอนคนอื่นให้คนอื่นไม่มีทุกข์ความหมดทุกข์ของคนอื่นนั้นมีความสุขมันเป็นผลถอยได้ควมสุขความสุขไม่ใช่ความสุขเอาเปรียบสังคม ความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือเราได้ทําทุลัหน้าที่แทนคนอื่นให้คนอื่นได้มีความสุขเป็นผลผอยได้รับความสุขจากคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นวันนี้จึงมาพูดกันเรื่องศาสนาและทําให้พุทธศ า, าสนาเจริญทุกสิ่งทุกอย่างแก้ปัญหาตัวเองให้ได้ ถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาพุทธศาสนา น, นั้นมีสอนเรื่องปัญญาให้คนมีปัญญาท่านไม่ได้สอนเรื่องเสื้อฟังทันทีท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ศาสนานอื่นๆนั้นสอนแล้ให้เสื้อฟังเสื้อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเทวดาเสื้อผี เสื่อลึอกงามงามดีอันนั้นเป็นคำสอนของศาสนาลทัทธิอื่นๆถ้าองค์ก็เรียนมาหมดแล้วเรื่องเหล่านั้นแ้าองเราเคยได้ยินได้ฟังมาตอนพระองค์ไปบวชบวชแล้วก็ไปศึกษาอยู่กับอาจารย์ซื้ออาลาดาบทและอุตาักาดาบทสองอาจารย์นี้อาจารย์คนแรกสอนให้ได้สมาบัติเ็ สมบัติเจดนย์นเลีู้กซานสี่อะลูกลูกซานลูกซานสามลูกฐานซานสาี่ได้เจ็ดสมบัติเจ็ดได้ลูกซานลูกซานเข้าซานออกซานคล่องแค่วางไหวได้กับอาจารย์ทุกอย่างหรือบางทีอาจจะดีกว่าอาจารย์ก็ได้เพราะพระองค์ท่านเป็นคนพูดจริงทําจริง เมื่อถามอาจารย์ก็อาจารย์ก็หมดควมรู้แล้วท่านกะลาจากอาจารย์คนนั้นไปไปเรียนกับอาจารย์คนที่สองคนที่สองนี่สอนให้ได้สมาบัติแปดจวันลูก 3, อานาสี่อะลู ก, กา 4, อาจารสี่ท่านสอนเมื่อได้สมาบัติแปดแล้วก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็หมดควมรู้เมือม่อหมดควมรู้แล้วก็บอกให้ แล้องค์เนี่ยข่าวนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าออกเผยแพร่และแนะนํำคำสอนให้คําสอนเหล่านั้นเจริญก้าวหน้านมั่นคงต่อไปถ้าองค์คือพระพุทธเจ้าของเหล่านี้เองแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าข่าวนะพอไม่พอใจถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่งที่ว่าไม่พอพระไทยอย่อยางนั้นก็ได้พูดภาษาหลงพ่อเดี๋ยวไม่พอใจ เพราะอย่างตัวเองแก้ปัญหาตัวเองยังไม่ได้ก็ลานีเมื่อลาหนีมาก็มีปัญจวัคคีทั้งห้าติดตามพระองค์มาหกกับพระองค์เมื่อลาอ า, อาจารย์มาแล้วก็ไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนมันทําไปตามความเห็นความคิดเป็นนํามสินข้าวมันยังมีกีเลส เป็นนำพูดนำคุยมันจึงมีกิเลสเป็นนำอะไรทุกอย่างเนี่ยกินข้าวกินน้ำกั้นลมหายใจทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทำแล้วเมื่อทำหมดแล้วก็ตัวพระองค์กอสู้ผอมไปเหลือแต่เอ็นหนังกระดูกลัดลึงกันเอาไว้ที่เราเห็นรูปภาพอยู่ตามฝาผนังโบสบ้านหลวงพอเนี่ย ตามฝาผนังสีงก่ อ, อย่าง น, น, นี้พระองค์ทําขนาดนั้นไปไหนมาไหนก็ลาคาญเพราะว่าหอมก็เลยคิดได้แค่ทาขนาดนี้แล้วไม่มีใครจะทําเหมือนหลักเราทําขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้ตัดสู่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลิกมาสารรพผลหรือไม่ทุกคนเคยได้ยินอย่างนี้ เมื่อมาสันผลลไม้ทีืว่าบ้านหลเขาเรียกมักขามป้อมกัมอมกสมมออะไรนั้นบัด น, นี้พวกปัญจวคีตังห้าเห็นพระองค์สันผลลไม้ก็เลยอ่ะนี่พระองค์เนี่ยสมณะโอโดมหรือกิทาศเจ้ว่ายังไงเขาได้ข่าวนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคงจะไม่ได้ตัดสรู้ดับทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ เพราะว่าขายขวมเพียนเวียนมามากๆมากินข้าวกินน้ำกินผลไม้แล้วพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลิกการกระทำคนหนีไปถ้าองค์ก็สันผลไม้ไปคนเดียวอันนี้ก็เรียกว่ายัางไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่สงัดกายสังัดวาจาคำว่าสังัดเขาเรียกว่าสงบนั่นเอง สงบ ก, กายสงบวาจาแต่จิตใจยังไม่สงบยังไม่สงบบางทีคิดถึงพวกปัญจวคีทั้งห้าคนทีแรกอยู่ด้วยกันห้าคนพกกับเราบางครั้งบางคราวคิดถึงลาหุนผู้เป็นลูกว่าอย่างนี้ก็ได้หรือผู้เป็นโอรสอย่างนี้ก็ได้แล้วคิดถึงนางพิมพาผู้เป็นสามีแต่ก่อน เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้มีแล้วไม่ได้เป็นสามีแล้วไม่ได้เป็นภรรยาแล้วแบบ น, นี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยคิดถึงทรัพย์สมบัติพระองค์มีบ้านเรือนอยู่สามหลังสามฤดูมีฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเรียกกัมีคนใส่ไม่กดเลยแต่พระองค์คิดวุ่นอยู่ขอ น, นเดินไป เขาไปเห็นนางสุต ด, ดาเอาเข้าไปพวงสลวงเทวดาศาสนาเทวดาพรมีแล้วพระองค์ก็เลยไปสันเข้านางสุต ด, ดานี่แหละตอนสันเข้านางสุต ด, ดาถามนางสุต ด, ดาจะถวายตั้งแต่ข้าวหรือจะถวายทั้งหมดนางก็บอกว่าจะถวายทั้งหมดเมื่อพระองค์ได้รับฟังและกดสัน สันพอดีเสร็จหรือว่ายังไม่เสร็จก็ไม่รู้เตเพียงครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังสันเสร็จแล้วก็จับเอาธาตุและขันอันนั้นไปอธิษฐานริมแม่น้ําถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสัลูเป็นพระพุทธเจ้าข่ากิเลสตายคลายกิเลสดุดเอาชนะทุกได้ได้ตัดสัลูเป็นพระพุทธเจ้าได้ วางธาตุและขันใบนี้ลงไปบนผิวน้ำและธาตุใบนี้เนี่ยควรกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำอไรอยา้ในทางตรงกันข้ามถ้าข้าพระเจ้าจะแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ไม่ได้ตัดสรลูเป็นพระพุทธเจ้าเอาชนะทุกไม่ได้วางธาตุและขันใบนี้ลงไป ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ําไปอนยะ่างนั้นพอดีพระองค์วางขันลงไปทาตลงไปาธาตุก็เลยทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ำํำพอดีทวนกระแสขึ้นไปถึงต้นน้ําก็ไปจมตรงที่กาลนาคนอนอยังไม่ตื่นวอาอย่างนั้นทุกวันนี้สมัยนั้นกาลนาคนั้นเป็นเนรน้อย อุปธรรมพระจำนวนเป็นหลายๆองค์จั่าเป็นร้อยๆคนน่ะตามครูบาอาจารย์เราให้ฟังกระหนากรู้สุดโอสถนใ่ได้ตัดสรรู้เป็นพระเกจิเจ้าแล้วเรานอนยังไม่ตื่นและวันนี้พระองค์ก็เลยข้ามเมื่อย่างข้ามแม่น้ำไปฝากโน้นและไปบาเพ็ญทุกะกิริยาอที่ใต้ต้นโพ เพลเลยได้ตัดสัตวรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะการบําเพ็ญทางจิตเ น, นี่ยการทําทางจิตจึงเป็นสิ่งที่สําคัญคนอื่นทําแทนไม่ได้เรื่องจิตใจพอดีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วลำพึงลำพันคิดว่าจะไปโผล่ใครที่ไหนคิดถึงบุคคลผู้ที่จะฟังธรร ม, มาจากพระพุทธเจ้า ก็คิดถึงบุญคุณของพวกปัญจวัคคีทั้งห้าเพราะว่าพวกปัญจวัคคีทั้งห้าเป็นผู้มีคุณและก็เป็นผู้ที่มีศรัทธานึกว่าพวกนี้ฟังแล้วคงจะรู้พระองค์ก็เดินทางออกมามาแล้วก็มาพบ อ, อ ก, กับนักบวชอีกคนหนึ่งชื่ออุปกรารศีวกคนอุปกาสีวคกคนนี้ความเป็นผู้แสวงหาธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสแสวงหาธรรมะของสตัติมุลุบุคคลผู้ที่มีความรู้แก้ปัญหาตัวเองได้พอได้ไปพบเข้ากับพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าเพราว่าหน้าดูหน้าเคารพน่านับถือกิริยามารยาทท่านอยู่สำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใคร ปูบาอาจารย์ของท่านคืออย่างไรและครูบาอาจารย์ของท่านสอนวิธีไหนให้ถามพระองค์พระองค์ก็บอกตรงๆเราไม่ได้อยู่สำหนักไหนไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของใครไม่มีใครเป็นผูไม่มีใครเป็นอาจารย์เราตัดสู้เองโดยชอบถามคนนั้นลุอุปการศีวก หรือนักบวชคนนั้นก็เลยไม่ฟังเมื่อไม่ฟังก็เลยไม่เข้าใจธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นการหาฟังธรรมะจากสะตะัตบุตรอันแท้จริงที่บุคคลผู้ที่รู้แท้จริงนั้นฟังแล้วเข้าใจยากเพราะว่าปัญญาของคนธรรมดานั้นไม่แหลมคมพอได้จากนั้นพระองค์ก็เดินมามุ่ง ตรงไปถึงพวกปัญจวัคคีทั้งห้าก็มาพบเอากับพอ่อคาสองคนเรียกวกัอิตาปุสะพระลูกะาสองพี่น้องไป อ, อย่างนั้นหัวเกรียนไปคาเกรียนเกียนกำลังติดตมอยู่คนจำนวนเป็นลอยๆไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาและเอาเคลียนติดตมนั่นใส่ไม่ได้พระองค์ก็มาให้ข้อคิด ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเอาเกียร์จำนวนร้อยเล่มนั้นออกไปค้นสมได้เนพวกนั้นก็ศรัทธาในพระพระเจ้าเอียไตยสนคมสองแต่ยังไม่นยังมียังไม่มีพระสงฆ์รู้ตามเขาเรียกวไตสนคุสองจากนั้นพระองค์เดินทางมานี่เล่าเป็นประวัติแต่เพราะว่าได้ยินขุบาอาจารย์แล้วให้ฟัง มาถึงพวกปัญจวัคคีทั้งห้าพวกปัญจวัคคีทั้งห้าก็มีทิฏฐิแต่ว่าไม่ต้องรับต้อนไม่ต้องปูสําหรับที่นั่งให้พอดีพระองค์เดินเข้ามากลับใจใหม่เนี่ยควรที่จะรับต้อนควรที่จะทําจึงจะเป็นหน้าที่หรือเป็นสมบัติหรือว่าเป็นคนสลากและจะจะพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่สมมติ ถ้าไม่ทำก็ไม่สมควรเพราะอยู่นำกันมานานเมื่อเห็นหน้ากอถ้าเราละเลยต่อน้าที่ก็ไม่สมควรก็เลยมาทำสำหรับทิดนางให้พอดีพระองค์นั่งลงแล้วก็แสดงทําให้ฟังแต่พวกนั่นก็ไม่ย่อมฟังพระองค์ฟังก่อนคำคำนี้เราเคยพูดให้ฟังมาบ้างไหมอยู่นำกันมาไม่เคยได้ยิน ไม่เคยได้ยินได้ฟังก่อนบอกว่าพระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าอย่างนี้เพราะ น, นั้นก็ตั้งใจฟังที่ตั้งใจฟังนั่นคื อ, อัญญกณลทัญญะฟังครั้งเดียวรู้เข้าใจตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันล ส่วน4ี่คนนั้นยังไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจต้องทำกรรมาฐานหรือทำทวิปัสสนาทอยางน้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันการฟังเทศฟังธรรมหรือว่าฟังอะไรก็ตามฟังแล้วยังไม่เกิดปัญญานั่นก็แสดงว่าเราฟังเป็นเพียงพิ ธ, ธีกรรมหรือพิ ธ, ธีการเท่า น, นั้นเอง การฟังเทศฟังธรรมฟังอะไรก็ตามฟังแล้วเกิดปัญญาที่จะนาถึงของจริงได้นั่นแหละเพื่อการฟังเทศการฟังธรรมแล้วแก้ปัญหาตัวเองได้นั่นแหละทำให้พุทธศาสนาจะเรียกว่าทาบุญต่ออายุพุทธศาสนาก็ได้หรือจะว่ายังไงก็ได้ทุกวันนี้ก็มีการทาบุญต่ออายุทาบุญวันเกิดทาบุญต่อ อายุ พ, พุทธศาสนามีหลายวิธีและกัญญาการทําบุญการให้ทานไม่เหมือนกันแต่ละบ้านทําไม่เหมือนกันก็เพราะว่าความเห็นไม่เหมือนกันนั่นเองแต่การรักษาศีลไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันคําพูดเหมือนกันปานาอทินาเหมือนกันแต่ว่าการรักษาไม่เหมือนกันนี่ปัญหาที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้ สวัว่าทุกคนต้องการความกินแต่เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็อยากจะพูดให้พวกเราได้เข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตคำว่ า, าคือกันคือที่ตรงไหนเหมือนกันเหมือนที่ตรงไหน เป็นตถาคตเป็นที่ตรงไหนเราจะไม่รู้แต่บางคนผู้มีปัญญาอาจจะรู้ถ้าคนใดไม่มีปัญญาก็หมดยุคหมดสมัยเข้าใจไปอย่างไ น, นตัวเองก็เคยคิดอย่างนั้นแต่เมื่อสมัยเป็นเมนแต่เมื่อเป็นฆราวาสเป็นโยมบวชเป็นพระหนุ่มมาแล้วก็ซึกออกไปแต่เป็นโยมก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกัน ความเข้าใจเลยมันไม่เหมือนกันนึกว่าหมดยุคหมดสมัยพอไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ แต่เราให้ฐานมารักษาศีลมาทำกรรมฐานมาจเจริญนิพพานมาไม่รู้ในหลักสูตรนัธรรมสั้นโทรหรือสันเอกหลโงพ่อเขาจำไม่ค่อยได้ดีบอกว่าผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ถูกต้องติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานไม่เกินเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือน อย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันมีอ น, นิสงส์สองประการท่านว่าอย่างไรหนึ่งเป็นพระอรหันในปัจจุบันพบนี้หรือพาาดนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหรันต้องเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีในแน่นอนที่สุดท่านว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรเอาไปคิดเอาไว้ แต่ไม่เสือ้อถือทันที <c oughs> เพราะพระ อ, องค์ตัดไว้ในหนังสือกลรมสูตรดีแล้วพระองค์ทำมาเป็นเวลาหกปีศึกษาแล้วเรียนมาทั้งเรียนกับภูและไม่ได้เรียนกับภูจึงได้ตัดสูุพระ อ, องค์ที่บอกไม่เกินเจ็ปีตัดเอาไว้เจ็ปีแกวิธีที่อาตมาหรือผม จะนํามาเล่าสู่ฟังในวันนี้แต่ไม่ต้องเป็นพระละหันไม่ต้องเป็นพระน า, าคามีและไม่ต้องเป็นพระสกีภาคาและไม่ต้องเป็นพระโสดาบันก็ได้แต่เอามาแก้ปัญหาตัวเองให้มันได้แก้ปัญหาทางจิตใจไม่ให้ทุกเกิดขึ้นเอาถ้าทำจริงให้ระยะเวลาสามปีอย่างนาย อย่างกลางให้ระยะเวลาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดให้ระยะเวลาสามเดือนเก้าสิบวันอานีสงไม่ต้องพูดถึงอะไรจะแก้ปัญหาตัวเองได้แก้การขัดแย้งต่อตัวเองได้แก้การขัดแย้งต่อสังคมได้อันนี้เข้าใจว่าทำให้พุทธศาสนาเจริญ และเป็นการทำบุญต่ออายุาพุทธศาสนาได้ทำไมจีวะทำให้พุทธศาสนาจเจริญเพราะตัวเองไม่ทุกข์คนไม่ทุกข์ก็เรียกว่าจเจริญคนใดมีทุกข์ยังจเจริญไม่ได้และเปสอนให้คนอื่นไม่ทุกข์คนนั่นก็ต้องจเจริญและกับคนไม่มีทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นนี่วาพุทธศาสนาจเจริญถ้ามีคน ไม่มีทุกจากร้อยคนเขเรียกว่าทาบุญต่ออายุและพุทธศาสนาควรจะเริ่อนคำว่าทาบุญต่ออายุนี้เราเข้าใจเอากันอย่างที่เราเกิดเมื่อนั้นวันนี้แล้วก็ทาบุญต่ออายุทาบุญวันเกิดอันนั้นถูกแต่จะไม่ตรง คำว่าทําบุญวันเกิดนี่พระองค์เกิดตัดสัลูเป็นพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาตัวเองได้ไม่มีทุกเดยวทาบุญวันเกิดเกิดทุกวันเห็นทุกวันอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนไปไหนมาไหนก็ไม่ทุกเพราะจึงแก้ปัญหาตัวเองได้จิ๋วเป็นการทำบุญบุญมันเป็นซื้อของคนไม่มีทุก ไม่มีตนไม่มีตัวทีแรกนึกเอาเองเนะี่ยตัวเองเคยคิดว่าถ้าเราทำกรรมฐานหรือกจรเรีมนปิพจนนาต้องมีสิ่งใดสิ่งที่มาสวมเขาหรือมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตัวเองเข้าใจอย่งังอันนั้นเป็นการเข้าใจคิดเอาเองถ้าองค์ท่านก็สอนเอาไว้อย่าโดนเดาและคิดเอาเองไม่ได้ หรือคนอื่นพูดแล้วถูกจริตนิสัยของตัวเองหาว่าถูกต้องก็ไปได้เนี่ยพระองค์ท่านสอนไว้ในหนังสือกลามสูปิงมาดังนั้นวิธีที่นำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆไม่ยากเพราะพระองค์ตัดว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยบถ ท, ทั้งสี่ยืนให้มีสติ เข้าไปรู้เดินให้มีสติเข้าไปรู้นั่งให้มีสติเข้าไปรู้นอนให้มีสติเข้าไปรู้เทานั่นก็ยังไม่พอท่านยังให้มีสติเข้าไปรู้ในอินยาบุตรย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปรู้ท่านสอนเข้าไปรู้เพื่ออะไรเพื่อจะให้รู้ว่า มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขความทุกข์ความสุขเกิดมาจากร่างกายหรือเกิดมาจากใจคําว่าร่างกายเป็ว่าลูกบ้านหลวงพ่อเรียก ว, ว่าร่างกายพูดตามธรรมะเรียก ว, ว่าลูกลูกน้ําลูกทาน้ำทำเนี่ยพระองค์ทัานสอนเอาไว้เพื่อให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวทำความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวบ้านหลวงพ่อคนหลงตนลืมตัว หลงกายลืมใจบ้านงพ่อผู่้อย่าหลงตนอย่าลืมตัวอย่าหลงกายอย่าลืมใจไปไหนมาไหนให้รู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจเอาชนะทุกได้แก้ปัญหาตัวเองได้อันวิธีที่พูดที่สอนกันในขณะนี้ก็ให้มีความรู้สึกการเคลื่อนไหววิธีใดก็ตาม แม้จะกำมือเหยียดมือพอตามให้รู้สึกมือสัมผัสกันอยู่ก็ให้รู้สึกขึ้นลถลงเรือไปไหนมาไหนให้ทําความรู้สึกอันนั้นเนี่ย ว, ว่าทําความรู้สึกตัวทําให้เกิดปัญญาเพราะพระองค์สอนเอาไ ว, ว้ว่าทุกต้องกรรําหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องจเจริญ น, นิโรธทําให้แจ้ง ท่านสอนอย่างท่า น, นว่าทุกต้องกำหนดรู้เพราะคนเราทุกคนเกิดมาแล้วเป็นก้อนทุกเกิดมาแล้วจะนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้จะไม่พริบไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ได้มันพริบตามันหายใจมันเคลื่อนมันไหวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้สึกตัวมากๆเข้าความไม่รู้ท่านเรียกว่าอาวิชา ความรู้ท่านเรียกว่าวิชาคำว่าอาวิชชาเนี่ยรู้ผิดความรู้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เรียกว่าอาวิชชาความรู้ที่แก้ปัญหาตัวเองได้เรียกความรู้ที่ถูกต้องเีก ว, วิชาดังนั้นคนจึงไม่รู้จักทุกแต่รู้จักว่าทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเสื้อไม่มีผ้าไม่มีบ้านไม่มีเรือนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์คนทุกแบบนั้นเพราะไม่เข้าใจไม่รู้จักเจ็บน้อยผสมให้มากและไม่รู้จักการไม่รู้จักงานก็ต้องทุกข์แต่ความทุกข์ที่พระองค์สอนนั้นทุกเปรท น, นไม่ไหวคือการเคลื่อนการไหวนี่เองตัวอิิยบาบถน่ะเป็นทุกข์เพราะเรามีความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นกลัวมไม่รู้ว่าหายไป เมื่อความไม่รู้หายไปก็เกิดปัญญาเห็นแก้งรู้จริงตามควางเป็นจริงท่านรียหวาทุกขังอนิจจังอนัตตาทันวันเพราะว่ามันเป็นทุกข์จริงๆเมื่อเห็นทุกข์อันนี้แล้วพระองค์ก็โหนขวาทุกสิ่งที่เราทำมาเมื่อมาทำทุกขะกิริยาอยู่กับพวกปัญจวัคคีทั้งห้าหกกับเรา เมื่อแยกย้ายออกจากกันไปแล้วเรายังคิดถึงห้าคนคิดถึงลาหุนคิดถึงนางสิมภาคิดถึงทรัพย์สมบัติมันเป็นทุกข์พระองค์รู้ทุกข์อันนี้ดังนั้นทุกคนต้องรู้อันนี้พระองค์จึงว่าทุกต้องกําหนดรู้คือมากําหนดตัวลูกเราทําได้เราเคลื่อนเราไหวได้ตัวลูกสมุทยัยต้องละ คือโตจิตโตใจมันนึกมันคิดเราห้ามมันไม่ได้บอกว่าไม่ต้องคิดมันก็คิดคิดเอาคิดดูมันไม่อยากคิดมันก็ไม่คิดมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมันดังนั้นพระองค์จึงให้มักกำหนดรู้ตัวลูกการเคลื่อนไหวตัวลูกเมื่อมันคิดขึ้นมามาทำาลมลูกสกตัวสมุทัยทำให้ทุกเกิดตัวคิดเอง ลูกไม่ลูกจากวัตถุแต่มันเคลื่อนมันไหวไปตามหน้าที่พัฒนาไม่ได้ตัวลูกเนี่เพราะมันเกิดมาเป็นตัวเล็กๆนานแล้วก็ใหญ่โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนานๆแล้วก็เป็นคนเข้าคนแก่พัฒนาไม่ได้อะไรมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันแต่เรื่องจิตใจนั้นพัฒนาได้เนี่ยพระองค์ท่านคิดเอาไว้ท่านสอนเอาไว้ สมุทัยต้องละสมุทัยทำให้ตัวเิดคือตัวคิดมันเป็นทุกข์และต้องละโดยวิธีไหนพระองค์มาทำความรู้สึกเมื่อรู้สึกกับรูปแล้วตัวคิดมันหยุดเองมันมันหยุดเองมันถ้าเราไม่ได้เข้าไปในของคือเรารู้คิดเราเข้าไปในกรมคิดอ น, นันทานเดียว่าเป็นความรู้ของอวิชชา แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้มักต้องเจริญมักก็ต้องทำบ่อยๆทำความรู้สึกบ่อยๆเมื่อมันคิดขึ้นมาแล้วก็ทำความรู้สึกกรมือบ้างเหยียดมือบ้างแบมือบ้างคั้ว ม, มือบ้างยกมือบ้างจึงมีวิธีการอย่างที่ทำภาษากับคนที่ไม่มีปัญญา เนื่อคนที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากทำเป็นจังหวะพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาเหลียวซ้ายเหลียวขวาพิดตาอ้าปากคืนน้ำลายหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวอย่างนี้บ่อยๆเขาเรียกคนไม่หลงตน ไม่ลืมตัวเรียกว่าคนมีสติพูดตามธรรมะตามหลักวิชาการถ้าพูดตามภาษาบ้านเราเนี่ยความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้กล็ลดน้อยไปลดน้อยไปเป็นอมักต้องเจริญทํำบ่อยๆนี่โน้ทําให้แจ้งนะก็จะรู้ความคิดของเราในเองมันคิดขึ้นมาก็จะรู้โอ้หลักษณะความคิดมันเป็นอย่างนี้ จึงเป็นการทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำได้เมื่อมันคิดขึ้นมาเราจะเห็นเราจะรู้เมื่อมันคิดขึ้นมาเราก็เห็นมากเข้ามากก็เห็นที่สุดถึงของคิดได้คองคิดมันคิดเร็วที่สุดเร็วก็แสงไฟฟ้าเร็วก็เสียงฟ้าร้องเร็วกว็ลมเร็วกว็ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคิดแพ๊้นเดียวไปได้ถูกผลทุกแห่ง รวมคิดจริงเล็วที่สุดวิญญาณจึงว่าต้องรู้นี่วิญญาณไปว่ารู้ที่อาตมาพูดนี่เรื่องผมพูดนี่ไม่ใช่วิญญาณตายแล้วไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้อันนั้นเอาไว้ก่อนเรื่องมันมาก่อนแล้วเพราะถามสอนมาก่อนแล้วแต่พระองค์ว่าวิญญาณต้องรู้ว่าวิญญาณรูปรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน วิญญาณขันลูกขันมีสินเวทนาขันมีศินสัญญาขันมีศินสังขารขันมีศินวิญญาณขันมีสิลคนมีสินก็เรียกเป็นปกติคนไม่มีศินก่อนยังไม่เป็นปกติแต่ศินห้าสินแปดสินสิบสิสองร้อยยี่สิบ็ดสินสามร้อยนั้นเป็นสินสังคมศิลเหล่านั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้า จะรักษาแข้งคัดขดนาดไหนก็ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายัางเอาสนะทุกไม่ได้แต่เมื่อมาทำให้เราเป็นปกติการเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวได้จิตใจนึกคิดต้องรู้เท่ารู้ทันรู้จักขันรู้จักแก่รู้จกัจ ก, ก, จกเอาสนะทุกได้ทุกจึงว่ากำหนดรู้สมุทยัยต้องละมักต้องจเจริญ มีโลดทําให้แจ้งเนท่านสอนก่อนมันสั้นบัด น, นี้ศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเราเคยพูดกันอันนี้พูดความจริงสูกันฟังตัวของผมหรือตัวของอาตมาไม่เคยรู้อย่างนี้ไม่เคยรู้ว่ากิเลสอย่างหยาบอะไรไม่เคยรู้ติดบุรีขานะ้านั้นสูบบุรีไปเจริญกรรมาฐานกับอาจารย์ พอดีไปทําวิธีที่การเคลื่อนการไหวพลิกซ้ายเอียงขวาก้มเงยเหลียวนุ่นเหลียวนี่จับนุ่นจับมีเข้าใจก็เลยรู้สึกว่าโอ้นี่ทุกขังอนิีจังนะจ๊ะทุกคือมันติดอยู่กับรูปนี้เองแก้ไม่ได้จะไม่ให้มันเหน่งมันติงไม่ให้มันเคลื่อนมันไหวไม่ได้มันต้องเป็นไปตามหน้าที่ของเราแกจิตใจแก้ได้พัฒนาได้เลยเข้าใจอย่าง เขาเลยเลิกได้เลิกสิ่งเสพติดมึนเมาทุกประเภทเลิกตั้งแต่วันนั้นจนถึงบันนี้เพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นกิเลสอย่างยาบแต่กิเลสอย่างยาบเนี่ยมาจากที่ไหนแต่เราอาจจะไม่รู้บางคนบางคนอาจจะรู้ถ้ามีการศึกษาเล่าเรียนมากรู้ถ้าไม่มีการศึกษาเล่าเรียนฟังแล้วอาจจะไม่รู้ ทุกจริงๆนั่นคือมาจากอดีตมาจากอนาคตมาจากปัจจุบันถ้าเรารู้จักปัจจุบันเนื้ว อ, อดีตอนาคตไม่สําคัญแต่เดี๋ยวนี้คนเราไม่รู้จักปัจจุบันเราไปรู้จักเป็นเรื่องอดีตเนื้ออนาคตปัจจุบันไม่ได้สนใจจึงว่ารู้ของไม่จริงถ้ารู้ของไม่จริงมอนก็แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ พ่อแม่ปู่ย่าตายายปูบาอาจารย์สอนเอาว่้กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดผูกมัดลักลึงเอาสัตว์โลกไว้คำว่ากิเลสพันห้ามันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตห้าร้อยและเกิดขึ้นอนาคตห้าร้อยในขณะฟังเทศหรือฟังตัวของผมหรือตัวอาตมาพูดอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ย ยังไม่เห็นจิจใจตัวเองกิเลสก่เกิดขึ้นในปัจจุบันห้าร้อยเรียว่ากิเลสพันห้าเพราะสามห้าเป็นสิบห้าแล้วกิเลสพันห้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้เองตันหาร้อยแปดก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นกับปัจจุบันเพราะคนไม่รู้ปัจจุบันนี้เองกิเลสพันหา 108, น้าตันหาร้อยแปดคันท่าตันหาร้อยแปดก็ เกิดขึ้นในอดีตสามสิบหกเกิดขึ้นในอนาคตสามสิบหกปัจจุบันฟังหลวงพ่อหรือตัวของผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่เคยดูคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามสิบหกอเรียกว่าตันหา1อยแป9สามสามเก้าน่เป็วันนธธ 3, 6, ี้สามหกสิบแปดก็ เป็นปัญหาลอยแปดดังนั้นกิเลสพันห้าปัญหาลอยแปดก่อตามเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นแก้ไขปัญหาไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ปัญหาไม่ได้เราต้องให้รู้ปัจจุบันศึกษาปัจจุบันจริงๆพระพุทธเจ้าสอนให้คนมีปัญญาให้ทุกคนมีปัญญาเพราะว่าธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้านั้นมินมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ทุกคนเป็นลืมะลืมตัวลืมของดีมีในตัวก็เลยไปศึกษาหาว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เข้าใจไปอย่างนั้นบางคนไปทำกรรมฐานไปเจริญนิพพานแต่ไม่ได้ตาหนิแลกก็ไม่ได้สมบางคนคุยกับผีได้คุยกับเทวดาได้ เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นหมุนสลากสิ่งแบ่งนี่ว่าที่กรุงเทพเห็นอย่างนั้นอันนั่งกระทุกเหมือนกันเห็นจริงเหมือนกันแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นของจริงทําไมจึงไม่เป็นของจริงเพราะเห็นเพราะรู้แต่มันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ได้พระองค์เลยบอกว่าไม่เป็นของจริงแม้จะเปตาทิพ นับเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรสะเลคบทุกเม็ดก็ตามถ้าแก้ปัญหาการขัดแย้งจิตใจตัวเองไม่ได้ถ้าองค์ก็บอกว่าสิ่งนั้นดีแล้วแต่ไม่มีค่ามากทันวัและจะเอาหัวมุดดินลงไปเดินไปใต้ดินพุน้นอันนั้นก็ดีแล้วแต่พระองค์ว่าถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้การขัดแย้งตัวเองไม่ได้อันนั้นก็ดี แต่ประโยชน์ยังไม่มีมันไม่คุ้มคา่าเพราะยุกเหมือนนกนี่เองบินเหมือนนกนี่แหละไปไหนมาไหนไม่ต้องเดินเหยีไปเหมือนนกนี่ถ้าองค์ก็ว่าถ้าแก้ปัญหาการขัดแย้งตัวเองไม่ได้อันนั้นก็ดีแต่มันไม่มีประโยชน์เพราะชีวิตนี่มีค่ามากที่สุดซื้อไม่ได้ขายไม่ได้มีเงินจากมื่นล้านเสนล้านนี้ ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ไม่มีตลาดที่ไหนในกรุงเทพก็ไม่มีหรือประเทศอื่นๆหลวงพ่อเคยได้ไปประเทศอื่นๆบ้างไหยไปอินเดียครับแล้วมีตลาดขายชีวิตคนไหมไม่ไ้มไม่เห็นมีคนโยมเคยได้ไปประเทศไหนบ้าง ห, ห ล, าลายประเทศเคยมีตลาดขายชีวิตคนบ้างไหมไมีครับเนี่ยชีวิตยิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด แม้จะศึกษาหาเงินหาทองหาความรู้อย่างใดๆก็าตามต้องศึกษาชีวิตเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากที่จริงแล้วศึกษาชีวิตก่อนเมื่อรู้จักชีวิตของตัวเองแล้วศึกษาหาเงินหาทองหาความรู้ได้อย่างสบายๆบัด น, นี้เมื่อเราศึกษาหาความรู้หาเงินหาทองได้แล้วยังไม่ได้ศึกษาชีวิต ควรมาศึกษาชีวิตนี่จริงๆเพราะชีวิตนซื้อไม่ได้ขายมาได้มีค่ามีราคามากที่สุดจิว่าชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญเกิดเป็นคนจิว่าให้ลูกจักหลักความเป็นคนถ้าหากชีวิตยังเป็นทุกข์แต่เป็นคนแต่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าหากเกิดมาเป็นคนแต่ชีวิตไม่เคยเป็นทุกข์ท่านวัด เลือนสั้นควมเป็นคนขึ้นไปเป็นมนุษย์เดี่ยวมนุษย์ใจสูงเลือนสั้นจากควมเป็นมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาเพราะอามีความละอายเทวดาถ่านหนอยมีความละอายหนะึ่งเลือนสั้นจากควมเป็นเทวดาก็เป็นพระอินทร์พระพมเพราะมีความสงสารเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้ น, นเพราะชีวิตของมนุษย์ คนที่ไม่รู้จักซีนิสตัวเองเป็นทุกขนันนับัด น, นี้ก็เมื่อนเลื่อนสั้นจากขุมเป็นพระอินทร์พระพรหมก็เรียกเป็นพระอริยบุคคลถ้ากเป็นโยมก็เรียกเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เรียกเป็นพระอริยสงฆ์อันนี้เป็นการทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญเป็นการทําบุญต่ออายุทันวันแต่ในทางตรงกันข้าม หมดจักควมเป็นคนวันเพราะไม่รู้ว่าหมดจักควมเป็นคนทำไมจึงไม่รู้เพราะมันคุกนั่นแหละหมดจักควมเป็นคนแล้วเป็นอะไรก็เป็นสัตว์เวลาสารบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นคำว่าสัตว์นรกก็หมายถึงควมร้อนคำว่าสัตว์เวลาสารก็ไม่รู้จักตายนั่นเอง ว่าเปรตก็ไม่รู้จักพอคำว่าอสุรกายก็ไกลจากคนจริงในคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ว่าคําว่าอสุรกายเป็นคนอ่อนแอก็ถูกเหมือนกันคําว่าอสุรกายนั่นหมายถึงบุคคลที่ทําแล้วไกลจากคนจริงไกลจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างนี้ตัวเอกเข้าใจอย่างนี้ จึงเอาความจริงที่ตัวเองเข้าใจนั่นแหละมาพูดให้พวกเราได้ฟังว่าทุกคนทำได้คนไทยก็ทำได้คนจีนก็ทำได้คนฝรั่งเศสก็ทำได้คนอังกฤษคนอเมริกาคนเยอรมันคนคาเมนคนยวนคนลาวคนให้ซื้อว่าคนเนี่ยทำได้ทุกคน จะถือศาสนาไหนละทิได้ก็าตามนุ่งผ้าสี อ, อะไรก็าตามศึกษาได้พุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาคนไม่เป็นของใครเป็นของสำหรับบุคคลผู้ที่มีปัญญาเอาไปแก้ปัญหาตัวเองได้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ดังนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันหรือ ม, มาที่นี่เป็นผู้ที่มีศรัทธา ในพระพุทธศาสนาหรือในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปล่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างท่านว่าไม่ใช่สามารถมองออกไปข้างนอกแต่สามารถมองเห็นจิตใจของตัวเองกําลังมัน ปรากฏดไม่ใช่ปรากฏอยู่ในน้ำนะมันพิกแพลงมันนึกมันคิดรู้นี่พระองค์เรียกว่าสามารถมองเห็นมันคิดดีมันคิดชั่วมันคิดอะไรก็รู้เรียกว่าสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างทันวันแต่ไม่ได้สามารถมองเห็นเม็ดหินเม็ดทรายอันนี้ที่ตัวเองได้เข้าใจอย่างนี้คือการแก้ปัญหาตัวเองนี้ เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นการทานก็เช่นเดียวกันทุกคนจะมาแก้ปัญหาไมา่ให้โทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ให้กิเลสตัณหาอุปาทานกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจทำมาแล้วหลายสิบปีพอแม่ก็ทำมาปู่ย่าตายายก็ทำมาตัวเองก็ทำมา มันก็ยังมีอยู่มันแก้ไม่ได้เรื่องนี้ทำไม่จึิงแก้ไม่ได้เพราะทําไม่ถูกจังหวะนั่นเองมันไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แต่เราจําได้คําพูดแต่เราทําไม่ถูกต้องอต น, นเองพระองค์สอนว่า ส, สักว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้ง ให้พวกเธอทางไหนจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้เพราะจะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้แต่เราไม่ทําแต่เราไปปราถนาอ้อนวอนเอามันก็เลยไม่รู้เพราะไม่ทําตามพระพุทธเจ้าบัดนี้เราทุกคนลองทําทดลองดูน่าคิดเพราะทําความรู้สึกตัวเนี่ย เป็นสิ่งที่อัศจรรย์สิ่งท <stra speaker curric ulus>. ี่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมามีจริงๆเพราะพระองค์ตัดว่ามีจริงๆเป็นอย่างไรอย่างที่เราสวดหลักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาพูดกันเพียงสั้นๆเพียงเอาสังฆคุณท่านว่า สุปฏิปันโนภะวาโตสาวกสังโฆเป็นภาษาบาลีแปลว่าสงสาวกของพระพุทภาคเจ้านั้นหมู่ดปฏิบัติดีแล้วคือบุคคลผู้ที่ปฏิบัติดีนั่นเองเป็นพระสงฆ์แต่พระสงฆ์อย่างที่ตัวของผมหรือตัวของอาตามาเป็นพระสงฆ์โดยสมมุติยอดสมมุติสงฆ์แต่ไม่ใช่เป็นสงฆ์ปรมัตดแต่ก็จริงๆงโดยสมมุติ ถ้าจึงสอนให้รู้จักสมมุติบัญญัติให้รู้จักปรามาัดบัญญัติให้รู้จักอัฏ ฐ, ฐบัญญัติและให้รู้จักอริยะบัญญัติจะทิ้งสมมุติไปไม่ได้ดังว่าญาญญาปฏิปปโนภะวะโตบัดนี้เอายายญาปฏิปปโนทีเดียอุตตุปฏิปปโนไม่ต้องพูดยาญญาปฏิปปโนภะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระมีภาคเจ้านในมด ปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วให้เรารู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ได้จริงๆถิงทัานไหวพันธวะยาทิทางจัตตาในีปุริส า, านุขานีอัฐาปุริสาบุคลานี้คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระวีาพากเจ้าต่อเข้าใจยังถ้าว่าเป็นสง เอสาวพระคโตสาวกสังโภเป็นสงเป็นสาวกของพริเจ้าก็ต้องเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าความรู้ความเห็นความเข้าใจแก้ปัญหาการขัดแย้งตัวเองได้อย่างที่เราสวดกันโยจกโคมานผู้ตัดสู่ตามพระพุทธเจ้าท่านมีทิฏฐิและความเห็นเสมอกันก็ต้องมีทิฏฐิมีความเห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้า แต่ไม่มีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าแต่การแก้ปัญหาตัวเองแก้การขัดแย้งของตัวเองได้เหมือน ก, ก, ก, ก, กันกับพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์เข้ากันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์เราก็ต้องไม่มีทุกข์เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าที่ว่ากลมเห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิได้กลมเห็นเสมอกันทุกวันนี้การสอนไม่เหมือนกันและการทําบุญก็ไม่เหมือนกัน มันก็เป็นการขัดแย้งต่อพระพุทธเจ้าสวนทาน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าเรื่องนี้แต่ให้พวกเราออกไปคิดออกไปพิจารณาออกไปปฏิบัติตัวเองวะใครทำแทนไม่ได้แต่ขอให้เราศึกษาและปฏิบัติสนทนาพิจารณาหาบุคคลผู้ที่มีความรู้จริ ง, รงเพราะว่าในประเทศอินเดียก็มีหลายลทัทธิมีหลายอาจารย์ลทัทธิ ไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าก็มีละที่นอนเสีย้ยนอนหนามก็มีละที่กินนำ้ำฮอนนอนย่างไปก็มีนี่มีหลายละที่ในเมืองไทยก็มีเช่นเดียวกันละที่ครูบาอาจารย์เคยสอนนั่งอย่างนั้นภาวนาอย่างนี้เรียกเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในดวงหัวใจอย่างนั้นอย่างนี้ที่เคยทํามาครูบาอาจารย์สอนให้ภาวนาพุทโธ เรียกเอาพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ในหัวใจนี่เนเข้าใจไปอย่างนั้นอันนั้นเข้าใจดีแล้วถูกแล้วครูบาอาจารย์สออย่างนั้นเพราะท่านมีควมรู้อย่างนั้นแต่ตัวของผมตัวอาตมา